บ o ๊กทูสาสิแในรถแท็กซี่ช่วยเรียกรถแท็กซี่ให้ด้วยครับไปสถานีราคาเท่าไหร่ครับ คุ้มกี่ค่ั๋วเดไปสนามบินราคาเท่าไหร่ครั บ, บราคาุ้มกี่ค่าตั๋วเดินทรรุณาตรงไปครับก า, ารกินารุณาเลี้ยวขวาตรงนี้ครับคารกุน า, น า, นาระะุณาเลี้ยวซ้ายตรงหั ว, ว ม, มุมครับ ผมรีบ я с п เ ш а ю с я ผมมีเวลา час ารุณาขับช้าลงได้ไหมครับคารุณาจอดรถที่นี่ครับคกรุณาจอดรถที่นี่ครับ การุณารอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมกลับมาครับรขอใบเสร็จให้ผมด้วยครับมผมไม่มีเงินทอ น, น, น, นมอไม่เป็นไรที่เหลือนี่ให้คุณครับ ขับไปส่งผมตามที่อยู่นี้ครับขับไปส่งที่โรงแรมของผมด้วยครับขับไปส่งผมที่ชายหาดครับ